บทอันไมยนะเป็นบทมาดานิยะมี120ร้อยยี่สิบองค์การเป็นบทที่ยาพอสมควรเช่นเดียวกับบทมาดานิยะโดยทั่วไปอบูไมซ์รอกล่าวว่าบทอันมาอีดะเป็นบทสุดท้ายของคำพิอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาองค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใด บทนี้ได้ถูกประดานลงมาหลังจากที่ท่านรอสูลุละสัลลัลลอฮุวะลลอฮิสสลามกลับจากอัลฮไดับียะสาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยพ่อที่ขาดเกี่ยวกับพ่อตกลงและสัญญาต่างๆการเชื่อสัตว์การล่าสัตว์และการคลองเยาะยงเพื่อประกอบพิธีการแต่งงานกับหญิงชาวคำพีการตกศาสนาความสะอาดบทลงโทษ การลักขโมยบทลงโทษผู้กอ่อการร้ายและปอความวุ่นวายในสังคมข้อที่ขาดเรื่องสุราและการพนันการชดเชยในเรื่องการสาบานการฆ่าสัตว์ในขณะครองเอี้ยหองพิในกรรมก่อนตายและข้อที่ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของหลักเรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์ เช่นเรื่องราวของวงวานอิสรอเอลกับนบีมูซาที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืนจึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึงสี่สิบปีเรื่องราวของลูกนบีอาดัมสองคนคือกาบินและฮาบินเกิดความขิดขสยายกันเป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบินซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลก เรื่องสำหรับอาหารคืออัลมาอิดะห์ซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีสาบุตรของมารยำที่ประโปรต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่านเรื่องราวของยัวดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดผิดบิดเิ้วสัญญาบิดเบือนคำพีเตารอดและอื่นๆปฏิเสธสารที่ท่านนาบีมอมัรสลลววลลละไละสลัมให้นามา บทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์หน้าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะย้ำให้ชาวกัมพีได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดพวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่าอันมาอิดะนั่นก็คือเมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิด ขอต่ อ, อ, อีฮซาอลฮิสาลามให้มีสาหรับอาหารประทานลงมาจากฟ้าฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่าเป็นปาฏิหารอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นศาสนาทูตจากอัลลอฮ์มาสู่ ม, มวลมนุษยชาติในสมัยนั้น โอบัตดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย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 يا أيها الذين آمنوا لا تحملوا شعائر الله لا تحملوا شعائر الله وللشهر ا الحرام وللهدية وللقلائد وللقلائد ولا ي ل ب ي ت الحرام يبتغون تظلم من ربهم وربوانا وإذا حلتم تصطادوا ولا يجرم َ ن ك م شناء قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. ตตอลลโอภุอสถาทั้งหลายงจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งาศาสนาของอัลลอฮ์และเดือดที่ต้องห้ามและสัตว์ผลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์ผลีและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทยัย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 وما َ أكل َ السبع َّ إلا ما ذ َ ك ْ ت ُ م وما َ ذبح ِ علَن ا ل ّ ص ُ ب ِ وأن َ ت َ س ت ق ِ م و بالأزلام ِ ذلكم فِسْقَ اليوم َ يئس ََ الذين َ كفروا َ من دينكم فلا َ ت َ خ ش َ و ْ ه وخشون َ ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วศพที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกร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 โดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทําบาปแล้วไซแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ و َمَا ع َ ل َّ م ْ ت ُ م مِنَ الْجَوَارِئِ مُكَلِّبِينَ ت ُ ع َ ل ِّ م ُ و ن َ ه ُ ن مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَثْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ س َ ر ِ ي ع ُ الْحِسَابِ เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้าที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามูหัมมัดจง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 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ م ِ ن قَبْلِكُمْ و َْ م ُ ص َ ن َ ا ت ُ مِنَ ا ل ذ ي ن َ أ ُ و ت ُ ا الْكِتَابَ ْ ق َ ب ْ ك ُ م إ ذ َ ا أ َ ت ِ ت ُ م ُ ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ين ين วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคําั่งนั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلي وجهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ت ط ه ر و ا ف إ ن كنتم ض ا أ ئ و على ستر أ و ج ء أحد منكم من الغائط أو جأ أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم فلم تجدوا ما أن تتيممو صيدا ط ي ب ا فتيمموا تمسحوا وليتم نعمته صعيدا طيبا وأيديكم يريد ليجعل بوجوهكم من ما عل عليكم من ول ليطهركم ولكن ولكن يريد يريد حرج الله ليطهركم لي عليكم โ م ้ผَู้รัทธَทั้งห ل َย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 และพวกเราเชื่อฟังแล้วแต่พึยงยำเกรง อ, อัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วดีๆเพื่ออัลลอฮ์เป็นพยานด้วความเพียงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทําให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิดมันเป็นสิ่งที่ใกล้ ก, ลกับความยำเกรงยิ่งกว่าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อ, ال มมอัอลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่คดโกงและคดโกงด้วยข้อเท็จจริง ولائِكَ أَصْحَابُ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก أَيْيُّهَا اللَّهِ آمَنُ نِعْمَةَ اذْكُرُوا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 وأقرتتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم و ل أدخلنكم جنة تجري جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل س َ ا السبيل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 จะ حرفون ا ل ك ل م َ عن مواضعه ونسوح ا ل ّ م مما ُ ك ّ ر به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم تعرف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. แล้วเการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาบแช่งพวกเขา และให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขากระทาการหยุดเบือนบรรดาถ้าอยคำให้เฉลี่ยออกจากตำแหน่งของมันและลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้และเจ้าก็ยังมองเห็นการโกมจากพวกเขาอยู่นอกจากเยียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นดังนั้นเจ้าจงให้อภัยแก่พวกเขาเถอะและจงยกโทษเสียแท้จริงลอลนั้นส่งชอบผู้ที่ทาดีทั้งหลาย َمِنَ مِيْثَاقَهُمْ الظَّمْ مِمَّا الَّذِينَ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا فَنَسُوْحَ قَالُوا ذُكِّرُوا فَأَغْرَيْنَا الْعَدَاوَةَ بِهِ จากบรร ن าผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นั้นเราได้เอาสัญญาจากพวกเขา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 و و โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายแท้จริงศาสนาูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะแกงแกนแ ก, นแกน่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคัมภี แลวเขาจะงดเว้นไว้มากมายถ้าจริงแสงสว่างจากอัลลอ์และคำพีอันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดวยคำพีนั้นแหละอัลลอฮ์ะจะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความถึงพอพระทัยของพระ สบนาทางแห่งความปลอดภัยและจะส่งให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะส่งแนะนำพวกเขาสู่ทางอันเที่ยนตรง้วก็อิสลาที่ีกลาอินนัลลอฮนะซบินมารีม์ุล่าวว่าไมลมีเจาขออินัล ล, าฮา ล, ล, ล, ล, ล, ลอฮ์ฮ์สิ่งใดทีะตองการให้พระมิซิหบนมาร ม, มะมาม إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم وأمّه وما في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير. ن ّالٌ ได้ปฏิเสธ إ ي ا ن ه แล้วบรรَ أ ผู้ที و กล่าวว่า٠ ٠ ٠จ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠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 สิ่งที่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย و و โอ้กลุ่มชนของฉันชงเข้าไปในกันหินอันบริสุด ท, ที่อันล้อได้ส่งกําหนดให้แก่พวกเจ้าเธอและจองอยนหลังของพวกเจ้ากลับ เราจะทำให้พวกเจ้ากลับกลายเป็นผู้ขัดถูกอาลยามูซาอินนาดู ى, ين, ن ن ها, พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาแท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธิ์นั้นมีพวกที่โหดเหี้ยมแต่พวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขาะ จนกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นั่นแต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นั่นแล้วพวกเราจึงจะเป็นผู้เข้าไปอาล่าจุลันไม่นั้นที่นาวั้นน้น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำอ้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำอ้นน้ำนมำน้ำน้น้ำน้ำน้้ำน้ำา้ำน้้ำนุ้น้ำนน้นนนน้ มีชายสองคนในหมู่ผูย้ยงเกรงที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนั้นไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดทัานเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นไปแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะและแด่อัลลอฮ์นั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา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 พรอะองค์ลอตเตอรั่ว่าถ้าริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะเหยแร่ร่อนไปในผืนแผ่นดินดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย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 ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดดุลแล้วเราก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ่งมาคุยหาในดิน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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أ ن ه م ن ق ت ل ن ف سب ا غير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 ถ้าเป็นการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่อวอลและรอซูลของพระองค์และพยายามบันทำลายในแผ่นบินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหาร หรือถูกตรึงบนไม้กานเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับท่าหรือถูกในระเทศออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอับปยในโลกนี้และจะรับการลงโทษอันใหญ่หลวงในฟร์โลก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 โก้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเพิ่งยังเกรงล้อเถอะและจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์และจงต่อสู้ในทางของล้อเถอะเพื่อว่าพวกเจ้า จะ no to ถ้าจริงบรรดาผู้ท <ệt> ี่ปฏิเสธศัทานั้นหากพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นินทั้งหมดและมีเยี่ยงนั้นอีกรวมกัน เพื่อจะใช้มันไถ่ตัวให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามาแล้วมันก็จะไม่ถูกรับจากพวกเขาและสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะออกไปจากไฟนรกแต่พวกเขาก็หาได้ออกไปได้ไม่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 เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลลแล์แลลอนั้นทรงเดชานุภาพทรงปริชายญาแล้วผู้ใดสานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่เขาได้อาทรรมถ้าปรับปรุงแก้ไขแล้วถ้าจริงอัลลอ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้แก่เขา แท้จริงอัลล์นั้นเป็นผู้ท่งอภัยโทษผู้ส่งเมตตาเสมอเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลละ์นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่พระองค์จะทรงลงโทษผู้ใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงอภัยโทษให้แก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วรอ น, นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งยาอิเฮอฮ์ร์รุสูละยฮซุนคัลล์ลีนยูซาริอุนัิลกุฟรีมินัลล์ดีนกาลูมินัลล์ดีนกาลูอาเมนนับอัควาห์มวลัมตุมิลกลูบุฮฺม ومن الذين هادوا س م ع و َ للكذب س م ع و َ لقوم آخرين لم يأتوا يحرضون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو ومن يرد الله كتمته فلا تملك له من الله شيئا อุล่าอิค์ ا ุ ذ ي บ لم ي ر ล الله أي ด ط ุ ر قلوبهم ย ه م في الدنيا خزي و ل ิ م ف า الآخرة عذاب ع ظ ีมโอศาสนาพูดเอ๋ยจงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาพุ้ที่รีบเร่งกันปฏิเสธศรัทธาจากพวกที่กล่าวในปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้ว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 ไฟจะเอาก็ ا ั ه ُ م ْีَห์มหรืออาร์บงั้นห์ว่าไอ้ ن ัวอาร์บงั ا ح ห ك เ م ร ت ยดรุกชีอาว่าไ ق ้ผาคِต์ฟَงก ا ل ีนหَ ي บีลคُส ا ل ْ م ับัลัลัห์ัยูฮิบัาันัคิสต์ันันันันังันันั้านันันันานานัาันักัจงตัสินหว่าัพวกเขา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 แค่จริงอัลลอฮนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรร ม, มอย่างไรเล่าที่พวกเขาใจเจ้าตัดสิน ท, ทั้งทั้งที่พวกเขามีคำพีเตารอนอยู่ซึ่งในนั้นมีข้อตัดสินชีกขาดของอัลลอฮอยู่แล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ผินหลังให้ชนเหล่านี้แหละหาใช่เป็นผู้ศรัทธาใม่อินะ الزالتوراة فيها دو و نور يحكم بها النبيون الذين أسموا ال الذين هادو والضبيان والاحبار بمستحضرون كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا ب آ ي ا ت ثمن قليل وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ถ้าจริงเราได้คำพีเตาร و อนลงมาโดยในนั้นมีทางนำและแสงส ซึ่งบรรดานาบีที่สวามิภัตได้ใช้คัมภีเตารอนตัดสิบนบรรดาผู้ที่เป็นอยู่และบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์และนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้ใช้คำพีเตารอนตัดสินด้วยเนื่องด้วยในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้นั่นคือคัมภี์ของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวมนุษย์แต่จงกลัวข่าเถิด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 َالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْلَ بِالْأُذْلِ وَالْسِّنَّ بِالْسِّنِّ فَمَنْ فَهُوَ بِهِ بِمَا وَالْجُرُوحَ وَمَنْ فَأُولَٰئِكَ الظَّارِهُونَ يَحْكُمْ قِصَاصِ تَصَدَّقَ لَمْ لَهُ اللَّهُ هُمُ كَفَّارَةُ أَنْزَلَ เราได้บัญญัติแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่าชีวิตด้วยชีวิต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 และเราได้อีซาบุตรของมารายามตามหลังพวกเขามาในฐานะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคำพินตะรอและเราได้คำพินอินยิลแก่เขาซึ่งในนั้นมีทางนำและแสงสว่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือคำพิเตะรอดและโดยเป็นทางนำและคำตักเตือนแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعههم و مما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعة ومنهاج ا ولو شاء الله ل ج ع ل ك م أ م ة واحدة ولكن ولكن ل ي ب ل و ك م في ما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات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 มมมันันนนนนนอุกยข้อตัดสินสมัยยาฮิลียะกานันตื้อที่พวกเขาปรารถนาและใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าละ่ะสำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่อหล่อยาอิยาอิย์และผู้ทีดอ่านแล้วก็จะรู้ว่า บาวนอลบาวม่่าพวกมันักเป็นขอวันนและที่รเทนอพวกนนหพจาทรห้็องพวกนนี่หละทพระจาทง้นองี่หลรจ้าทง้เปนองพวกมั่แหละยี่พระเจาทรงเป็นอยพวม่และชาวคริสตางเป็นของพวกมันรบเ้างส่วนของพวกเขานั่นคือพรารงของอกงวกบนและ้างใ่นพวกนและผูเจ้าดใเนหอพวกมู่พวกเจ้าเป็นอาพวกมแลเข้ามาใเป็นมิตร่และที่ แน่นอนพู้นั้นก็เป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแท้จริองอร้อนั้นจะไม่ส่งให้ทาง น, นำแก่กลุ่มชนที่อาถมแต่จรอยที่นั่นหัวใจของพวกเขาที่มีควมรู้สึกที่ะต้องนีบไี่นัะดว่เรา แย่งเวลาอยู่ในธิกับพระเจ้าวิสบิออมมห้มม في في หรรนาค่าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ในวัดใจของเขามีโรคต่างรีบเร่งกันไปอยู่ในหมู่ของพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเรากลัวไผ่พี่บัตรจะเวียนมาประสบภท์แก่พวกเรา อาจเป็นไปได้ว่าอัลลอ์นั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำพระบัญชาอย่างใดอย่างหนึง่งจากที่ปรงแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้เสียใจต่อสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขาวาาาาอออออมมมุลลบ บรรดาผู้ที่สธากล่าวว่าชนเหล่านี้หรือคือผู้ที่สาบานต่อล้อนอย่างจริงจังว่าแค่จริงพวกเขานั้นอยู่ร่วมกับพวกเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลเสียแล้วดังนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้ขาดทุน يا أيها الذين آمنوا مَن ي ْ ت َ د َّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين ผู af af y y ้บรรพุศาสนามาทั้งหลายผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไปอัลลอฮ์ก็จะทรงนำพวกหนึ่งมาซึ่งปรุงสรงรักพวกเขา และพวกเขาก็รักพระองค์เป็นผู้นอกน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาเชื่อมแข็งต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต่อสู้ในวุฒิทางของอรรถและไม่กลัว ก, การตำหนิของผู้ใด น, นั่นคือความโปรดปานของอลลรรถซึ่งพระองค์ทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้ลอรรถนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ ถ้าจริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์และรอซูลของผู้และบรรดาผู้สัพทาที่ปฏิบัตลิละหมาดและชำระจากาศ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นอก น, อน้อมผู้ใ ด, ดให้อัลลอห์และรอสูลของพรมและบรรดาผู้ศรัทธาเป็นมิตรแล้วไซแท้จริงพัดข อ, อล้อนั้นคือผู้ชนะ